ฝนก็ตกบ่อยเมื่อคืนฝนก็ตกค่อนข้างจะแรงทําให้นึกถึงสัตว์ชนิดหนึ่งคือหอยทากเพราะยามว่างเนี่ยจะมาต้องนําหอยทากไปปล่อยประจําเพราะมันไปกินต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่กุฏิแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วถ้าเราไม่จับไปปล่อยเนี่ยที่กุฏิจะเต็มไปด้วยหอยทากเมื่อกี้เดินมาก็เห็นหอยทากหลายตัวเลยบนถนนถ้าเราเดินไม่ดีไม่ระวังก็เหยียบหอยทากตายทําให้นึกถึงนิทานเซนอยู่เรื่องหนึ่ง เรื่องนี้เกี่ยวกหอยทากเหมือนกันที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยทุกเช้าก่อนที่จะมีการทําวธีสวดมนต์เนี่ยก็จะมีหลวงตาอยู่ท่านหนึ่งถ้าจะตื่นก่อนคนอื่นทั้งหมดแหละแล้วก็จะมาฉายไฟหาห อ, หอยทากไปปล่อยวันแล้วว่าเล่าชมที่สังเกตของพระอีกท่านหนึ่งพอเห็นเข้าที่เข้ามาตําหนิว่าท่านทำอย่างนี้เพื่ออะไรหลวงตา จึงตอบว่าท่านบวชมาเพื่อทำความดีบําเพ็ญบา ร, รมีพระท่านนี้ก็ตําหนิว่าหอยทากเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทําลายพืชผลทางกเกษตรทางการเนี่ยก็อีกการรดลงให้ปราบแล้วก็เป็นที่เพาะพันธุ์ของเชื้อโรคด้วยท่านนทําให้วัดเราเนี่ยเป็นที่เพาะพันธุ์หอยทากเป็นโทษกับคนในวัดขณะที่กําลัง ตำมีอยู่นั้นก็มีพ้ารูปมึงเดินมาพ้ารูปนี้ก็เอ่ยเข้าข้างหลวงตาบอกว่าเนี่ยหลวงตาเนี่ยบำเพ็ญภูริศาสตร์อยู่นะช่วยเหลือโดยนำ่อยทาไปปล่อยเนี่ยเป็นการทำให้คนที่มาสวดมนต์เนี่ยไม่เหยียบจิตใจไม่เศร้าหมองเป็นการเสียหลาละช่วยส่วนรวมทั้งสามคุยกันแล้วรู้สึกว่าไม่เข้าใจกันอะ่ะจึงต้อง ไปให้เจ้าวาดตัดสินว่าใครผิดใครถูกหลวงพ่อเจ้าวาดกำลังนั่งอยู่พระสามท่านนี้ก็มาหาแล้วก็ชี้แจงทีละท่านหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็ตั้งใจฟังนะฟังด้วยแบบใจจริงแล้วก็มองหน้าทุกคนอย่างใส่ใจหลวงตาชี้แจงก่อน หลวงพ่อที่ผมมาบวชเนี่ยผมมาบวชตอนแก่แล้วผมก็ตั้งใจจะทำความดีสร้างสมบรารมีการทำความดีมากๆเนี่ยก็เหมือนกับการหยดน้ําลงในตุ่มทีละหยดทีละหยดไม่ช้าก็เต็มตุ่มและเป็นการช่วยเหลือชีวิตสัตว์เนี่ยหลวงพ่อว่าผมทำผิดหรือครับหลวงพ่อก็มองหน้ายิ้มๆแล้วเอ่ยขึ้นว่าถูกตัวของเธอ พระลูกวิสองชี้แจงบ้างบอกว่าเนี่ยหอยทากเนี่ยถ้าเราไม่ไปเหยียบมันโดยเจตนาเนี่ยมันก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นกรรมแล้วก็เป็นการช่วยเหลือทางการด้วยเพราะหอยทากเป็นสัตว์ที่ทำลายพืชผลเพราะผันเชื้อโรคอย่างนี้ก็ถือว่าทำให้ว่าเราเนี่ยปลอดโรคปลอดภัยหลวงพ่อว่า ถูกไหมครับหลวงพ่อก็มองหน้ายิ้มๆแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าถูกถูกของเธอพระธนิสาก็ชี้แจงบ้างบอกว่าเนี่ยในการบาําเพ็ญภาวนานเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เสียสละหรือเป็นสะพานบุญเนี่ยช่วยผู้อื่นจิตใจไม่เศร้าหมองาการกระทําแบบเนี้ยเป็นวิสัยของพระโพธิสัตว์หลวงพ่อว่าทําถูกไหมครับหลวงพ่อมองหน้า ยิ้มยิ้มแล้วเอ่ยที่ว่าถูกถูกของเธอขณะนั้นสา ม, มนเณรที่นั่งอยู่ข้างหลังหลวงพ่อฟังว่าหลวงพ่อเนี่ยตัดสินทั้งสามโพถูกถูกหมดเลยก็เลยแข็งใจอ่ะจึงเอ่ยทักท้วงขึ้นบ้างหลวงพ่อก็หันมามองหน้าเณรและยิ้มยิ้มเณรก็เคิดว่าหลวงพ่อเนี่ยเอาแต่พูดว่าถูกถูกถูก สิ่งใดมีถูกก็ต้องมีผิดใช่ไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็หัวเราะมองหน้าเอ็นแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าถูกถูกของเธอเรื่องนี้ก็จบเพราะว่าทุกทุกคนเนี่ยที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่ก็มามาจากการที่มีเหตุผลของตัวเองนั่นแหละเข้าข้างเหตุผลตัวเองแต่การที่ไม่เอาเหตุไม่เอาผลเนี่ยมันเป็นการจบปัญหาเลยนะ ไม่เอาผิดไม่เอาถูกก็าทาให้ไม่ต้องทะเลาะกันใครทําอะไรก็ทําไปแต่อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าตัวอธรมารเองจับหอยทากปล่อยเนี่ยลึกๆแล้วเห็นกับตัวนะไม่ได้จับเพราะปล่อยเอาบุญนะเพราะว่ากลัวหอยทากมากินต้นไม้ที่กรุดแล้วเอียงไปทางบาปด้วยเพราะทำให้หอยทากเนี่ยกินต้นไม้ไม่อร่อยเพราะเราใส่ใส่ถางเลยปล่อยเลยที่ต้นไม้ว่าจะพืช ที่ห่างๆไกลไปตอนเดินพิธบารนบางทีอาจารย์วินาชัยท่านก็จะเก็บปล่อยทาปล่อยปล่อยข้างทางอันนี้ท่านทำด้วยใจกุศลอย่างตัวธรรมาทำเพราะเห็นกับตัวแต่ก็จาจาเป็นต้องทำเราคงได้ยินวลีอยู่คำหนึ่งในสติ๊กเกอร์ลายคำว่าเอาที่สบายใจคำนี้ถ้าดูวนเพนก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าตอง พี่นิดพีเคราะห์ดูแล้วเนี่ยครับว่าเอาที่สบายใจเนี่ยเป็นธรรมะเลยนะสามารถใช้กับชีวิตประจําวันเราได้เลยอย่างทุกวันเนี้เรามาก็ใช้ธรรมะตัวนี้อยู่เอาที่สบายใจมีท่านเซนอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่นิทานเราเป็นเรื่องจริงเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นอาจารย์ฮากกอินซึ่งเป็นอาจารย์เซนที่มีผู้คนนับถือมากแล้วก็เป็นอาจารย์ของโชกุนด้วยที่ใกล้กลวัดของท่านเนี่ย มันมีร้านชำอยู่ร้านหนึ่งแล้วต่อมาไม่นานเนี่ยลูกสาวร้านชำก็เกิดตั้งท้องขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าใครทำให้ท้องตายายที่เป็นพ่อแม่ของหญิงสาวเนี่ยโกรธมากก็เลยเคี่ยนตีดุดาบีบเค้นเพื่อให้ลูกสาวสารภาพว่าไปท้องกับใครมาใครเป็นพ่อของเด็กทำเท่าไหรเท่าไรลูกสาวก็ไม่ยอมรับขันโดนกดดันเรามาก จเอ่ยขึ้นว่าพ่อของเด็กคืออาจารย์ฮากุอินสองตาใหญ่โกรธมากเลยรีบเดินทางไปที่วัดไปถึงก็ชี้หน้าด่าอาจารย์หาคุอินอย่างเสียเสียให้หายด่าจนเหนื่อยแต่ทางอาจารย์ฮากุอินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็นิ่งสงบขันด่าจนเหนื่อยจะกลับบ้าน อาจารย์ฮาวีก็อ่ยขึ้ว่าอย่างนั้นเองหรือหนึ่งปีถัดมาหญิงสาวก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายสองคนตายายเนี่ยรีบเอาเด็กมาให้อาจารย์ฮากุินเลี้ยงซึ่งท่านก็เต็มใจรับไว้แต่ตอนนี้ชื่อเสียงท่านเสื่อมเสียหมดแล้วคนเลิ่มหมดศรัทธามองว่าท่านทุศินท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็ใช้ชีวิตตามปกติ บางเพนพรานาแต่มีหน้าที่เพิ่มคือคือรับเลี้ยงเด็กถ้าก็ตั้งใจเลี้ยงเด็กอย่างดีแหละจนเด็กเนี่ยก็ค่อยโตขึ้นแล้วก็หน้ารักแต่คงสักพักหนึ่งแหละสักใหญ่เลยทางแม่หญิงสาวแม่ของเด็กเนี่ยก็เกิดการร้อนตัวขึ้นมาเพราะว่าใส่ร้ายครูบาอาจารย์คือร้อนจึงต้องมาสารภาพกับตายายว่าพ่อของเด็กเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ฮาวิลแต่เป็น หนุ่มหาปลาที่อยู่ใกล้ๆร้านชำของตัวเองแัแหละสองคนตายจะตกกระจายแทบช็อกเลยนะเพราะว่ารู้ว่าเราเนี่ยไปใส่ร้ายพระที่มีศีลบริสุทธิ์ใส่ร้ายครูบาอาจารย์รีบไปที่วัดด่วนเลยไปถึงก็เอป่าขอโทษแบบจริงใจสยาวเหยียดเลยท่านขอโทษเสร็จก็ขอรับหลานกลับบ้านอาจารย์เฮลอิน ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็สงบนิ่งแล้วเอ่ยคิดว่าอย่างนั้นเองหรือเรื่องนี้ก็จบเรื่องนี้อาจารย์ฮาีนเนี่ยถ้าเราแปลความคาว่าอย่างนั้นเองหรือก็คือเอาที่สบายใจโดยท่านไม่คำนึงถึงชื่อเสียของตัวเองยอมรับกรรมที่ตัวเองไม่ได้ก่ออันนี้เป็นเรื่องที่ทำยากนะแต่ถ้าเราคิดจะปฏิบัติทมเพื่อความอดทนเราก็ต้องทาแบบนี้แหละ บางครั้งก็มีช่วงละใช้กรรมใช้เวรแล้วเขาต้องยอมรับคือท่านไม่โทษไม่แก้ไม่แก้ตัวไม่แก้ต่างอันนี้เป็นคุณธรรมข้างในของท่านโจนเหตุการณ์ต่างๆขี่คายไปเองเพราะกฎธรรมชาติเดี่ยมันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรจะตั้งอยู่ได้นานเพราะมันขัดกฎธรรมชาติ ตอนหลังชื่อเสียงของท่านก็กลับคืนมาเหมือนเดิมคนก็นับถือท่านยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะท่านผ่านอุปสรรคผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้เรื่องนี้ก็น่าจะเอาเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่เจอปัญหาถูกใส่ร้ายถูกต่อว่าถูกดินทานเนี่ยถ้าใช้วิธีของอาจารย์เฮลอินสบายมากเลยเอาที่สบายใจบางครั้งคนเราเนี่ยก็ทุกข์เพราะการมองโลกในแง่ร้าย หรือคิดทางลบแต่ก็มีหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดอุดรหลวงพ่อท่านนี้ท่านมีความสุขคือท่านมองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีท่านจะไม่ทุกข์เลยเวลาใครสร้างปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นท่านจะอุทานว่าดีเนาะดีเนาะจนชาวบ้าน ขนาดน่มให้ท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะเช้าวันหนึ่งท่ท่านบิตาบาทเนี่ยก็มีเด็กเนี่ยทะเลาะกันแล้วทำอีท่าไหนไม่รู้เด็กเป็นเฟี่ยมหินมาโดนโดนท่านน่นแหละโดนที่หน้าผากเลือดไหลเลยเลืเอดไหลเยอะด้วยชาวบ้านเห็นก็ตกใจเข้ามาด่าเด็กไล่เด็กแล้วก็รีบมาทำแผลให้ท่านหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็ยังสงบนิ่ง แล้วก็เอ่ยขึ้นว่าดีเนาะที่ตามไม่บอดท่านมองลกในแงด่ดีมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์นิมนต์ท่านไปฉันเพลที่บ้านท่านก็รับนิมนต์เช้าวันนั้นเนี่ยท่านก็ยังไ ม, ไม่ได้ฉันอาหารตั้งใจว่าจะไปฉันที่บ้านงานเพราะบ้านงานอยู่ไกลแต่รอเท่าไหร่ลูกศิษย์ก็ไม่มาดีเพราะรถเป็นเสียท่้งก็เลยเอ่ยขึ้นว่า ไม่มาก็ดีเนาะฉันอาหารของเราก็ได้เนะาะท่านเกิดนำอาหารมาฉันตักอาหารเข้าปากได้ไม่กี่คำรถก็วิ่งมาถึงลูกศิษย์ก็วิ่งมาขอโทษแล้วขอให้หลวงพ่อรีบไปเพราะบ้านอยู่ไกลหลวงพ่อเกคคิดว่าไปฉันบ้านงานก็ดีเหมือนกันเนะาะท่านก็นเลิกฉันแล้วขึ้นรถไปรถวิ่งไปได้สักพักหนึ่ง เครื่องกระดับไอ้คนขับเนี่ยก็ลงไปซ่อมรถหลวงพ่อก็เอ่ยขึ้นว่าก็ดีเนาะได้ชมวิวข้างทางคนขับซ่อมเท่าไรเท่าไหร่รถก็ไปติดจึงต้องมาเรียกหลวงพ่อให้ไปช่วยเข็นหลวงพ่อตอนนั้นกแก่มากแล้วหลวงพ่อก็ช่วยเข็นจนรถติดอะหลวงพ่อก็เอ่ยขึ้นว่า พอดีเนาะที่ออกกําลังกายคันรติดวิ่งไปที่บ้านงานก็เลยเพนไปถึงเจ้าภาพก็นิมนต์ขึ้นธรา ม, มาต์แสงธรรมแต่ตอนนั้นหลวงพ่อก็เลยไม่ได้ฉันเช้าเลยแล้วอดฉันเพนด้วยเพราะเลยเวลาฉันท่านก็เอ่ยขึ้นว่าก็ดีเนาะมาถึงได้ทําหน้าที่เลยท่านก็ขึ้นธรร ม, มาต์ธรร ม, มาจนจนจนจบลูกศิษย์ ก็นำกาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนหยิบเกลือใส่แทนน้ำตาลเพราะว่าสีขาวคล้ายกันอยู่ใ้กล้กันท่านฉันไปได้หน่อยนึงท่านก็วางแก้วไว้แล้วเอ่ยคือว่าดีเนาะถ้าเป็นครูปาอาจารย์ที่มีผู้คนนับถือมากเวลาของที่ทานเหลือเนี่ยตามทมรื่อของคนอีสานเนี่ยบางทีก็อยากมาทานเพื่อเป็นสิริมงคลไงลูกศิษย์ก็มาขอทางกาแฟแก้วที่เหลือแหละเหลือมันครึ่งแก้ว ลูกศิษย์ถทานไปได้หน่อยถึงก็พ่นพูดอะไรไปเลยเข็มไม่ปีหลงพ่อฉันไม่ได้ไงเนี่ยหลวงพ่อยิ้มยิ้มไม่ว่าอะไรดีเนาะฉันกาแฟหวานๆมามากแล้วฉันเข็มเข้มบ้างก็ดีเนาะแต่เรื่องที่สร้างชื่อท่านมากก็คือท่านเนี่ยไปเกจิอาจารย์สมัยนั้นท่านก็สร้างพระเครื่องด้วยนะมีลูกศิษย์ลูกหามากคนก็นําของมาถวาย รักสักระมากจนไปที่หมายตาของโจรคนหนึ่งโจรคนนี้มีประวัติที่เคี่ยมโหดมักจะฆ่าเจ้าทรัพย์อยู่เป็นประจำโจรเปนเหล่อยู่แล้วก็หาโอกาสจนได้คืนวันหนึ่งที่หลวงพ่อกำลังสวดมนต์อยู่ที่กุฏิโจร เ, เข้ามาที่กุฏิเลยมาถึงก็เข้ามาโขมขู่หลวงพ่อเลยนี่คือการปล้นมีของเท่าไหร่ เอามาให้หมดอย่าหัดขืนหลวงพ่อแทนที่จะตกใจท่านกลับยิ้มให้โจรพ้นก็ดีเนาะท่านเอ่ยขึ้นโจรมันแปลกใจนะเพราะว่าไม่กลัวแถมยังบอกดีอีกพ้นทำไมถึงดีละ่ะโจรมันเอ่ ย, อยถามหลวงพ่อก็ตอบว่าค่าเนี่ยเบื่อเฝ้าสมบัติบ้าบ้านี้มานานละเองเอาไปข่าจะได้ไเบ้าเฝ้าจึงดีเนาะ โจรมันไม่หยุดแค่นั้นนะมันคมหูต่อไม่ใช่ใครปนต้องฆ่าด้วยเพื่อปิดปากหลวงพ่อก็เค่ยว่าฆ่าก็ดีเนาะโจรยิ่งแปลกใจหนักเขาอีกฆ่าจะดีได้ไงหลวงพ่อตอบว่าฆ่าเนี่ยแก่มากแล้วทุกวันเนี่ยต้องดูแลสังขารร่างกายที่เสื่อมโทมทุกวันทุกวันเองฆ่าๆ่าเนี่ยฆ่าตายก็จะได้ไม่ต้องดูแลสังขารจึงดีเนาะโจรได้ยินตรงนั้นก็ใจอ่อนนะ อย่างนี้ไม่ฆ่าก็ได้หลวงพ่อก็คิดว่าไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจรแข็งใจหนักข็วอีกเอ๊ะหลวงพ่อจะเอาไงฆ่าก็ดีไม่ฆ่าก็ดีหลวงพ่อตอบว่าถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยตายไปเองต้อตกนรกหมกไหมอม่ได้ผุดไม่ได้เกิดตอนที่ไม่ตายเนี่ยตํารวจก็ต้องตามล่าจับเองเผลเพลวิสามันฆ่าเองตายเพราะฉะนั้นเองไม่ฆ่าฆ่าเนี่ย ถิงดีเนาะโจรได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็เกิดสํานึกขึ้นมาสํานึกผิดขึ้นมาได้ก็เลยบอกหลวงพ่อว่าไปปปนล้วแล้วก็กลับไปหลวงพ่อไม่ปนก็ดีเนาะเรื่องของพ่อดีเนาะนี่ก็สามารถเอามาใช้กับชีวิตประจําวันได้นะคือมองโลกในแง่บวกเพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่แรงใจเอาหรอกไมื่อจะไปดินฟ้ า, ากาศ บางทีก็ชีวิตของเราไม่ราบรื่นเหมหือนเราคิดโลกกระทาฝ่ายลบคนชอบโลกก็ททำฝ่ายบวกแต่ละงเกียรติโลกก็ทําฝ่ายลบมีลาบมียศมีสุขมีเสแสร์เสริญคนชอบแต่โลกกระทำฝ่ายลบเนี่ยเสื่อมลาบเสื่อมยศมีทุกข์ถูกดินทาเนี่ยคนคนพยายผักใสแต่ถ้ามองโลกแบบหลวงพอดีเนาะเนี่ยเวลารอรถนานรถไม่มาที ก็ดีเนาะเวลาเจอใครมาดา่าก็ดีเนาะเจอเรื่องอะไรต่างๆเรื่องร้ายอะไรมันเรื่องดีก็ผ่านไปหมดอย่างตัวของอตาตมาเองก็ใช้ธรรมะหลงก็ยินเนาะอยู่แหละทุกวันนี้เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยอตาตมาตัดไผ่ด้วยฟา์มที่เราไม่เก่งรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยพอตัดเสร็จไผ่บัตดีตดใส่สหน้าเนี่ยเต็มที่เลยเต็มเดียวเลยล่ะ รุนแรงมากเลือดที่ไหลเต็มหน้าเลยนะแล้วก็แต่ก็โชคดีนะที่มันไม่โดนตาบอดเพราะบันหาก็แค่นิดเดียวเองระหว่างลูกตากับกับรอยแผลที่โดนภัยดีดอันมาก็เช็ดแผลแล้วก็ไปช่วยจวรารวัชชัยเนี่ยพาไปที่อัลมัยโดนเย็บไปสี่เข็มก็เถื่อไม่เยอะแต่เราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะ แล้วก็ทําดูแลแผลดีที่สุดเพราะคนเราบางทีต้องเจอเจอเคาะห์ไงเจอเคาะเราก็ยอมรับเคาะที่เกิดขึ้นมีพังเนี่ยเรามาเนี่ยลื่นล้มไหลหลุดเลยนะลื่นล้มอย่างหลังฟาดพืออย่างแรงมากเลยโอ้โหรักษาตัวนานมากแต่เราก็ทํางานปกติทุกวันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็หลายปีนะกว่าจะค่อยๆหายเนี่ยเพราะว่ากระดูกที่แขนขวาเนี่ยมีปัญหาจากอบุบัติเหตุครั้งนั้นอะ ไม่เก่าเหมือนเดิมแล้วเราก็ยอมรับมันก็ดีเนาะที่ไม่ตายถ้าเกิดมีขินหรือมีอะไรคมๆข้างหลังมาตายแน่นอนเลยวันนั้นวันที่ล้มเนี่ยเราควบคุมตัวเองไม่ได้หมดเลยฟาดแบบรอยทั้งตัวแล้วล้มทับแขนตัวเองไงหรือหลายเรื่องที่เคราะร้ า, ายแต่คนเราไม่ขอราบตลอดนะบางทีก็มีเคาะดีมีโชคเหมือนกันมีขึ้นมีลงตามธรรมชาติตามธรดาของชีวิตอย่างเมื่อวาน ตอนบ่ายๆอะ่ะก็มีผู้หญิงคนหนึง่งอายุประมาณยี่บห้าเนี่ยก็มาขอให้อามามารับเขาเป็นเพื่อนทางเฟ e บุ๊กผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีปัญหามากเลยเพราะว่าทั้งป่วยหนักนลุ ก, กี่โรคอยู่โรงพยาบาลไหนโดนแฟนทิ้งอกหักเศร้าเสียใจหาเหนาออกไม่ได้ไงก็เลยมาระบายกับอาลมาอาลมาก็พูดพูดให้กำลังใจไปบอกเขาอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ของเราก็ได้ ขอใหเราลอคนที่ใช่แล้วการเจ็บป่วยบางทีเราก็ต้องยอมรับคือก็ให้ข้อคิดเขาอย่าท้อทแท้สู้ๆต่อไปเอ้ยไม่อาจารย์ไพศาลบอกเขาว่าสู้ๆไม่ดีแต่บางครั้งก็ต้องใช้เหมือนกันแต่บางกรณีอันนี้แล้วแต่เหตุการณ์เราก็พูดให้กำลังใจเขาคือเขาก็หาทางหาทายตัวเองนะทุกน้อยคือ ฟังธรรมะจากช่อง youtube ของครูบาอาจารย์เนี่ยเขาก็ชอบฟังของพระอาจารยา์ไปสารเขาขอหนังสือธรรมะกับธรร ม, มาธรรมะก็บองหางสือธรรมะให้ก็วันนี้ก็ตั้งใจส่งให้เขาแหละก็เลยมีสี่เล่มหนึ่งคือเรื่องฉลาดทําใจเรื่องนี้อาจารย์ไปสารเขียนไว้ดีมากเลยแทบจะดีทุกเล่มที่เรอาอ่านนะบางคนก็ไม่เคยอ่านเพราะว่าท่านจะเขียนไว้เกี่ยวคนอกหักตกงาน หรือการสูญเสียการป่วยซึ่งมันมันมันถ้าจะคุมความทุกข์ทั้งหมดอะทั้งเล่มเนี้ยถ้าใครยังไม่เคยอ่านก็ไปหาอ่านเพราะเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านแล้วใครทุกข์ก็จะทุกน้อยทันทีเลยถ้าใครไม่ทุกข์อ่านแล้วหลุดทันทีเลยเพราะคนที่ทุกข์เนี่ยพราวางจิตไว้ไว้ผิดการวางจิตไว้ผิดเนี่ยก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีปัญหาถ้าเราวางจิตไว้ถูกเนี่ยทุกเรื่องปัญหาที่คายไปทางออกหมดเลย ยิ่งถ้าคิดถึงเรื่องเอาที่สบายใจเนี่ยจะไปท ะ, ละเลาะกับใครก็ยากนะเพราะเราไม่เอาถูกไม่เอาผิดไม่เอาเิตเอาผลเราคุยกับคนที่เราคุยได้แล้วอย่าไปคุยกับคนที่อะไรหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสานะเพราะปกติหนึ่งบวกหนึเป็นสองคุยแล้วเอเอเก็ตหน่อยแต่ถ้าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามนี่ควรดังห่างไม่ควรไปคุยด้วยคุยไปก็ทะเลาะกันอันนี้เราต้องใช้วิท ย, ยาศาสตรว่าคุยกับใครแล้วเกิดประโยชน์คุยกับบางคนก็เกิดโทษอย่างเงี้ยคนเราคบกันด้วยธาตุ ถ้าเราอยากรู้ว่าใครเป็นยังไงก็ดูดูเพื่อนเขาแหละดูสิ่งแวดล้อมว่าเขาคบคนไหนถ้าคนที่ธรรมะธรรมโอ้จะคบคนที่ใฝ่ธรรมครบคนที่บัณฑิตขยันเรียนอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าคบคนที่กิเลสเยอะก็จะไปทางฮีโนคัมโมถ้าพวกชอบการบันนานก็ไปคบพ ว, พวกเล่นการบันนานพวกเสพยาติดเหล้าติดบุหรี่ก็จะไปคบคนประเภทเดียวกันแหละเพราะว่าคนที่ไม่เหมือนกั น, นคบกันไม่ได้อยู่แล้วธาตุมันมันผักนะ เราก็ต้องเลือกคบคนให้เป็นเพราะในโมคลสูตรเนี่ยศิวานาจะพารานางเนี่ยเป็นมาเป็นระดับหนึ่งเลยถ้าคบคนพาเนี่ยชีวิตก็มีปัญหาดึงเราลงเราลกดึงเราทุกถ้าคบบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตก็ซึมซาฟาร์มดีให้เราทําให้ชีวิตเราเนี่ยจเจริญงอก ง, งามวันนี้ามาพูดมาก็จะเน้นเป็นจุดๆนะไม่ได้เน้นกว้างเน้นแค่เอาที่สบายใจเพราะถ้าเราคิดแบบนี้เราก็ไม่เราก็อยู่แบบผาสุข ถือทุกข์กทุกน้อยถ้ามีทุกข์นะถ้าไม่มีทุกข์ก็หลุดเลยจากอารมณ์ต่างๆพั่นคำที่เอาที่สบายใจไม่ใช่คาล้อเล่นนะเป็นคําที่ถ้าเอาไปใช้จริงๆเกิดประโยชน์แน่นอนหรือมองโลกในแง่บวกแบบหลวงพ่อดีนอกระได้ทุกปัญหาผ่านหมดดีเนอะหมดหรือจะเอาไม่เอาถูกเอาผิดอย่างหลวงพ่อที่มีเรื่องหอยทากก็ได้เอาแบบอาจารย์ฮาวินก็ได้ถูกใส่ร้ายไปย้ายสียังไงก็ รับได้อันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยมีความสุขความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปเอวัง